ธรรมะนี้เป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นอันนี้สมาธินีะนะสมาธินีนี้นผู้ที่อุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิก็มั่นคงดีมิใช่ของผู้ที่จิตไม่ตั้งมั่นเขาบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนดอกกระทุ่มบนศีรษะล้านว่างั้นฟักบนหลังมา้าฟักแฝงแตงกวาเป็นต้นไปตั้งบนหลังมา้าตั้งอยู่ยังไงตั้งมาอยู่อยู่แล้วดอกกระทุ่มบน คนหัวล้านเนี่ยนะอันนี้ว่าตามคำพีนะไม่ได้กระทบใครหรอกเ <c oughs> พราะว่ามายังไม่รู้จักว่าด อ, อกกระทุ่มเป็นยังไ ง, งลลเลยกลมๆเลยดอกกลมๆเลยก็มาแปลว่าเอาลูก ป, ปิ๊กฮะเอาเมื่อด อ, อกกรถินดอกใหญ่เสร็แล้วไว้บนศีสาล้านเนี่ะเริ่มๆเนี่ยโอ้โตกเร็วน่ดูนะทันก็บอกว่าพวกจิตไม่ตั้งมั่นลักษณะนั้นแหละตั้งไม่อยู่นะช่ายาพวกคิดห้านาทีเนี่ยทำร้อยปีไม่เสร็จเนี่ยนะ ก็ว่านั่งอยู่ที่เดียวเนี่ยเที่ยวได้เจ็ดจังหวัดแล้วอย่างไงยนั่งอยู่ครึ่งนาทีเนี่ยเที่ยวไปรอบโลกแล้วอย่างไงนี่ก็ไม่ได้ไม่ไหวแล้วอย่างนั้นนะหมายความว่ามันฟุ้งขนาดนั้นเนี่ยนะพรานอันนี้เป็นเรื่องของผู้มีจิตตั้งมั่นจริงๆเอาเถอะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะแค่อ่านหนังสือก่อนเนี่ยหน้าเดียวเนี่ยคิดไปห้าหกเรื่องนี้มันก็ไปไม่ไหวแล้วนะเนื้อหานี่มันจับอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็แม้กระทั่งการอ่านพระไตริดกนี่ก็จิตก็ต้อง สมาธิระดับหนึ่งก่อนข้อสองนะและเอามาตรึกตามนี่ก็ต้องสงบมากกว่าอ่านอ่านนะถ้าเทียบกับไปตรึกเนี่ยอ่านเนี่ยง่ายกว่าอ่านนะแต่ตรึกนี่ใช้สมาธิมากกว่าทีนี้ตรึกและอาการพิจารณาเนื้อหาให้ตลอดสายเนี่ยนะด้วยการเน้นเพ่งอัดอันนี้ใช้สมาธิมากกว่าตรึกถึงพยายชนะธรรมดาเนี่ยนะแล้วถ้าพิจารณาให้เจริญเป็นสมถาวิปัสนานั้นก็ จิตก็ตั้งมั่นสูงขึ้นไปอีกอ น, นะส่วนข้อห้านะก็คือเป็นผู้มีปัญญาท่านบอกว่ากรร ม, มสักตาปัญญาอย่างน้อยกรร ม, มสักตาปัญญานี่ดีกรร ม, มสักตาปัญญานะถามว่าบริบูรณ์ที่ไหนเอานะความบริบูรณ์ของกรร ม, มสักตาก็บอกว่าอยู่ที่การรู้จุติและปฏิสนธิอ่นนะมองจุติกับปฏิสนธิออกคาว่ามองออกไม่ใช่หมายคำว่าไป กำหนดตัวจุติกำหนดตัวปฏิสนธิจิตไม่ได้หมายถึงแบบนั้นหมายถึงว่าปัจจัยแห่งปฏิสนธิคืออะไรบ้างสิ้นปัจจัยอะไรจึงจุติแล้วปฏิสนธิเนี่ยจิตที่ปฏิสนธิมีอะไรเป็นอารมณ์ปฏิสนธินะที่ไหนบ้างมาจากปัจจัยอะไรอันนั้นแหละเขาเรียกว่าบริบูรณ์นะถึงยอดของกรร ม, มสกตาพั้นถ้าเอาแบบอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จุตูปปาตายามนั่นแหละน น, นะเอาให้เต็มเปี่ยมเลยนะ ผู้ที่มีกรรมสกตาเต็มเปี่ยมคือคนที่ได้จุตูปปาตยานแต่ทีนี้ของเราก็อาศัยสุตตะเป็นเป็นประมาณในการพิจารณาเนี่ยนะเช่นว่าจะไปดีหรือไปไม่ดีนี่ก็พอรู้ใช่ไหมเอาอะไรเป็นเรื่องวัดก็เรียนเรื่องคำแล้วปฏิสนธิจิตมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดแล้วก็ศึกษามานะคะถ้าผู้ที่มีปัญญาไปใไขครวนสิ่งเหล่านี้ได้มากอันนั้นแหละเรียกว่ากรรมสกตาบริบูรณ์เป็นจูลโสดาบัน โอ้ไม่จูละโสดาบันนะยังไงมันกลัวบาปขนาดนั้นแล้วอ่ะพราะพราะคนที่คิดเรื่องปฏิสนธิใหม่ใหม่คิดเรื่องปฏิสนธิมากกับคิดเรื่องจุติบ่อยเนี่ยเขาจะทําบาปเยอะไหมเอาพูดแบบรู้จุติปฏิสนธิแบบกรรมสกตานะไม่ใช่รู้จุติปฏิสนธนะิสักว่าเออตายทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่า ป, ปัจจัยที่ทําให้ปฏิสนธิมีอะไรบ้า ง, างเช่นเหตปัจจัยแปดในการปฏิสนธิใน มนุษย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลกษัตริรย์มหาศาลเป็นต้นนะนะแล้วปฏิสนธิอันเนี้ยเป็นฐานของอะไรต่อไปอีกบ้างคือเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วกรรมไหนเป็นตัวนําปฏิสนธิได้บ้างอย่างเงี้ยนะคือมองพวกนี้ออกอย่างตลอดสายอันนี้พวกนี้แหละเรียกว่าฮิริโอตปะเนี่ยสูงมากพวกนี้ถ้กลัวบาปอะเพราะตกนรกมันก็ตกจริงๆอ่ะไม่ได้ตกเล่นเนี่มันก็กลัวสิกลัวที่จะให้จิตเป็นบาปเขาเลยนิยามว่าพวกนี้เป็นจูรโสดาบัน อะไรเพราะฮีริโอตาปามสูงมากนะพวกนี้จะไม่ไม่ผิดสินถึงผิดก็จะต้องแหมรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยนะตอนอันนี้กรร ม, มสกตาก็ถือว่าเป็นพื้นใช่ไหมเฮ้ผู้ที่มีกรร ม, มสกตาเป็นอย่างดีเนี่ยสิ่งที่ติดตามมาคือเห็นภัยในวัฏตะอันนี้ชัดเนี่ยนะพอรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้จุติปฏิสนที่ดีมากแล้วเนี่ยรู้ความเป็นไปในภพสามเนี่ย เป็นอย่างดีถามว่าเขาจะยินดีในวัตตะไหมไม่อันนั้นแหละเป็นที่มาของการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะเป็นที่มาของการเจริญวิปัสนาพราะรู้ความเป็นไปของวตตะเป็นอย่างดีเนี่ยนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่าคำว่ามีปัญญาที่นี่หมายถึงมีปัญญารู้ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชําแรกกิเลสอน น, นจริงๆแล้ว รู้ความเกิดความดับเนี่ยนะเป็นปัญญาที่สืบเนื่องไปจากกรรมสกตานั่นเอง น, น, นะ <c oughs> แล้วก็ข้อสุดท้ายนะเดี๋ยวจะเนื้อหาเดียวกันจะเอาอนุรุท่าสูตรมากล่าวอีกครั้งหนึ่งัน น, นีกล่าวเนื้อหาโดยสรุปผ่านไปก่อนธรรมนี้เป็นของผู้มีไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหน่วงให้เนื่นช้าเป็นที่มายินดีอันนี้หมายถึงเป็นคนที่ยินดีในพระนิพพานเหมือนกันน่ ธรรมะที่เครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะทิฏฐิพันตัวที่ไม่เนิ่นช้าเป็นชื่อของพระนิพพานพรนธโลกุตระธรรมนี้เป็นของที่ะนะเป็นของที่ยินดีคนยินดีนิพพานเหมือนเนี่ยไม่ใช่คนยินดีตันหามานะและทิฏฐิเนี่ยอันข้อสุดท้ายนี่เน้นพระนิพพานเลย แล้วผ ก, การจะให้เป็นอะไรดูเอาไล่ให้ครบแปดข้อดูกันนะแล้วจะให้เป็นอะไรถ้าไม่เอานี่พานลองไล่ดูนะถ้าพู้การหาได้ก็แหมนโมทนาได้หาไม่ได้อยู่แล้วอันนะข้อหนึ่งสองสามข้อหนึ่งนะคือมักน้อยข้อสอง สันโดษข้อสวิเวกซึ่งประกาศถึงว่าผู้ที่มีสัตทินรีหรือศรัทธานเนี่ยบริบูรณ์เนี่ยนะข้อสกอ็เพียนเป็นผู้ที่มีความเพียนเนี่ยนะข้อห้าเป็นผู้ที่มีสติข้อหเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นก็หมายถึงสมาธิข้อเจก็หมายถึง ปัญญาเนี่ยนะนยนะก็เท่ากับอินซีอ่ะพันผู้ที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้เป็นผู้ที่ยินดีในอินรีห้านะยินดีในกุศลธรรมเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งอ น, นะแล้วจะเอาข้อไหน อ, อีกครันใ้บุกคลข้อแปดไม่ให้เป็นนิพพานนะให้เป็นอะไรข้อแปดจึงเป็นนิพพาน พ, พรันแปลโดยสรุปว่าโลกุตระธรรมนี้ เป็นของผู้ที่ยินดีมักขสัต์มุ่งนิโรธสัจจะ น, นี่ว่าโดยสรุปนะแปลว่าผู้ที่ยินดีมักเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะถ้าว่าให้ย่อๆมาก็เหลือเท่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับประกาศว่าผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเนี่ยนะละความไม่มีศรัทธาะละาไม่มีศรัทธาตัวที่เขาละออกไป ความเพียร น, นี้ละอะไรละความเกียรติคร้า น, นนะสตินี่ละอะไรละความหลงลืมสติซึ่งตัวความเพียรสติสมาธินะเป็นปฏิปัติตรงๆ ต, ต, ต่อตัณหาปัญญานี้เป็นปฏิบัติต่ออวิชชานะนี้กิเลส ท, ทั้งหลายที่เป็นบริวารของตัณหากิเลส ท, ที่เป็นบริวารของอวิชชานี้ก็เท่ากับกล่าวว่า ยินดีที่จะละบาปอากุศลเหล่านี้ทุกชนิดที่นี้ไอบาปอากุศลเหล่านี้มันเกิดที่ไหนก็เท่ากับแสดงอุปาทานขันห้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะอุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นอ่ะเป็นที่ตั้งของเนี่ยทุกความไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้หรือเป็นที่ตั้งแห่งความดีเหล่านี้ถ้ากล่าวโดยสิกานะ ศรัทธานี้เป็นอธิสีลสิกขาความเพียรสติสมาธิเป็นอธิจิตตสิกขาปัญญาเป็นอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะก็เท่ากับกล่าวตรายสิกขาเพราะฉะนั้นคุณจะทเหล่านี้นะแล้วน้อมเพื่ออะไร เ, เพื่อเนี่ยความไม่เนิ่นช้าคือความเนิ่นช้าปกตินี่มันเกิดโดยอาศัยอะไรอาศัย รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้น น, นะเนียเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งของความเนื่อนช้าคือตัณหามานะทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยจะสิ้นไปที่ไหนถึงเห็นรูปโดยความเป็นของไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ยังไม่ได้สิ้นจริงๆ สิ้นจริงๆต่อเมื่อเนี่ยมี น, มนิพานเป็นอารมณ์จริงสิ้นตันหามานะพันถ้ามีสิ่งนี้เป็นอารมณ์จริงเรียกว่าคนไม่ช้าแล้ะถ้ายังเจริญนิพพานาอยู่นะก็ยังนับวัดเป็นคนช้าอยู่ดีถ้าเทียบกับคนที่มี น, มนิพานเป็นอารมณ์อันนี้กล่าวแบบสูงสุดะนะส่วนก็ตรงตรงตรงสูตรก็คือ เขาบอกว่าผู้ยินดีในมักน้อยเป็นต้นไม่ใช่ยินดีในมักมา ก, มากตรงนั้นก็แยกเป็นว่ามักน้อยเป็นกลุ่มมัคษัตว์พวกมกักมากเป็นต้นเป็นกลุ่มสมุทัยสัตว์ <c oughs> เพื่อ <c oughs> นิโรสัตว์เนี่ยนะมันในสูตรนี้ก็ทําไมจึงไม่พูดขันห้าเพราะคนที่มาเจริญอันนี้เห็นภัยในขันห้าอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นคนที่รู้ว่าขันห้ามันมีภัยอยู่แล้ว <c oughs> จริงคำว่านิพานตรงนั้นของมาไม่ได้ว่าเองเหรอกอัตถกาถาท่านว่าคำ น, นิพานก็ใจา ย, ยากอยู่แล้วคำนี้ของผู้มีธรรมเป็นหนึ่งหน่วงให้เดินช้าเป็นที่มาดี ตัวที่หน่วงให้เนื่นช้าเนี่ยคืออะไรก็คือมมทุกขสัตย์ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นที่หน่วงให้เนื่นช้าไอ้ตัวหน่วงให้เนื่นช้าคือมาตันหามานะทิฏฐิแล้วอะไรตันหามานะทิฏฐิมันหน่วงอะไรหน่วงทุกขสัตว์มันก็ต้องสิ่งที่เพิกพวกนี้ออกไปมันจึงไม่ช้าอันนั้นหมายถึงนิโรธัรั์คือแปลเอาเอ า, เอาสำนวนนี้ก็ได้พวกกัน นิปปันจะทำเอ า, เอาบาลีเลยนะเ อ, เอารักษาบาลีเลยนิปปันจะทำอ่ะปปันจะเป็นตัญหามานาทิถิใช่ไหมนิปปันจะทำนี่แปลว่าไม่มี อ, อ่ะไม่ใช่ <c oughs> คือตัวนี้เป็นกลุ่มทุกข์ถามว่าศรัทธาเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งความเนื่อช้าไหมอ่ะ ถ้ากล่าวโดยโลกิยะนะไม่ไม่ไม่เลยใช่ไหมมีศรัทธาใช่ไมีศรัทธาเป็นต้นนะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งเป็นทุกขสัตว์หรือเป็นถ้ากล่าวโดยโลกิยะนะก็ทุกขสัตสนี้ทุกขสัตมนี้เป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิไหมเป็นอยู่แล้วควรเจริญแต่ในขณะเดียวกันอ่ะถ้าถ้า การเจริญกุศลธรรมอ่ะหยุดอยู่เพื่อแค่ให้กุศลเหล่านี้เกิดเท่านั้นหรือที่เป็นโลกยะเนี่ยกกนี่นก็ต้องมากกว่านั้นอยู่แล้ว น, นะจริงๆก็ทางผ่านมาจริงๆแล้วกุศลเนี่ยมันบริหารยาก <c oughs> มีอะไรบริหารยากเท่ากุศลอ่ะไม่มีโอ้ <c oughs> oh, แพงจริ ง, <c oughs> รงแต่ว่าดี การแสดงว่ามันมีโทษตอกันทางทุกกษัตริย์นะสาธุขอให้เห็นอย่างนั้นเต่๋ยวใช้ได้จริงๆพูดทุกอย่างก็เพื่อให้เห็นอย่างนั้นหละให้รู้ว่ามันไม่ดีทุกข์กษัตริยไทยเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็แสดงว่าสําเร็จวัตถุประสงค์นะนั่นก็ไปเห็นอย่างนั้นให้มากๆนนคือธรรมะนะั้ให้ว่าให้รวมๆเลยนะว่าวัตถุประสงค์ของการแสดงมีอยู่สี่ประการเท่านั้นนะ่ะ เพื่อให้กําหนดรู้ทุกให้ละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งให้เจริญมรรคอ่ะนะจะใช้สํานวนว่าใช้พยัญชนะวิจิตรลวดลายวิจิตรขนาดไหนก็เพื่อต้องการพูดอยู่เท่านี้จริงๆเนี่ยนะในในคำสอนในพระไตรปิฎกนยะจะที่บายในแง่ไหนมุมไหนวิจิตรพิสดารกว้างขวางลึกซึ้งประมตทศัตรจะสมมติศรรัตรจะอะไรก็คือเนี่ยมีลงอยู่ที่เดียวนี่แหละแต่ทีนี้ว่าแม้จะบอกอย่างนั้นมันก็ง่ายไปมั้งเนาะ ไปทำตามไม่ได้อย่างว่าก็เลยต้องชี้แจงให้ละเอียดดูสูตรเต็มเลยนะที่มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องคือในเรื่องพระอนุรุทธะเนี่ยนะมหาปุริสวิตะกักสูตรเนี่ยหรือตัวนี้เขาใช้คำว่าอนุรุทธะสูตรกล่าวว่าพระอนุรุทธะเนี่ยพอบวชเข้ามานะพรรษาแรกถ้าได้สมาบัติก่อนเพื่อนนะนะสามารถทำให้มีทิพยจักสุขได้ก่อนเพื่อนเลยนะนะ มีตาทิพย์เนี่ยนะก็เหตุที่มีตาทิพย์เนี่ยด้วยเหตุผลหลายประการประการหนึ่งคือท่านเนี่ยเป็นเท้าสักกะอยู่หลายหลายชาอิมากเนี่ยนะเพราะไอ้เรียกว่าตรวจดูอะไรแพ็บเดียวเนี่ยอันนี้ชํานาญอยู่แล้วพื้นฐานในตาทิพย์นะอันหนึ่งอย่างที่สองก็คือกชอบเป็นพิเศษคือทําบุญด้วยใช้ปฏะทีเปเป็นเป็นเครื่องบูชาเรียกว่าถ้าใช้ปฏะทีปเป็นเป็นทําบุญเนี่ยนะชอบมากอย่าง เจดีเนี่ยแกเอาประทีปเนี่ยบูชารอบพระเจดีเนี่ยนะเป็นพันดวงอ่ะนะแล้วก็ที่ที่เป็นพระเจดีพระพุทธเจ้าเนี่ยครก็อุปนิสัยที่ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาทิพด้วยแล้วก็ส่้งเสพในการเป็นเท้าส ก, กมามนา น, น, นพันพรรษาเดียวนี้ก็ได้ตาทิพพันโลกธาตุเป็นพันโลกเนี่ยรู้หมดเลยนะนี่ต่อไปทีนี้วันหนึ่งพระเถระคือพระอนุรทะก็ไปสํานักของพระสารีบุตร ก็กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้านี้เห็นพันโลกด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ก็ความเพียรอันข้าพเจ้าปรารภแล้วแลไม่ย่อหย่อนสติอันข้าพเจ้าตั้งมั่นแล้วไม่หลงลืมกายอันข้าพเจ้าไม่กระสับกระส่ายจิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของข้าพเจ้าก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น อนนะก็คือคร่าครว่าไปเรียนเรียนปรึกษาบอกพระพระสารีบุตร น, นะว่าทําไมอะ่ะเก่งขนาดนี้ทําไมไม่เป็นพระอรหันต์อย่างนั้นเถอะทีนี้พระสารีบุตรท่านก็แนะนำเลยนะบอกตรงประเด็นเลยดูก่อนท่านอนุรุท ธ, ธความคิดอันใดแลที่มีอยู่แก่ท่านอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามองเห็นโลกธาตุเนี่ยพันโลกด้วยที่ประจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์อย่างเงี้นนะความคิดอันนี้เป็นมานะนะ สำคัญตัวว่าตัวเองมีความสามารถขนาดนั้นอันนี้เป็นมนะนะดูก่อนอนุรุธะแม้ความคิดอันใดของท่านที่มีอย่างนี้ว่าความเพียรอันข้าพเจ้าปรารบแล้วไม่ย่อย่อนสติอันข้าพเจ้าตั้งมั่นไว้แล้วไม่หลงลืมกายข้าพเจ้าก็สงบระงับจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวแปลว่าวิริยะข้าพเจ้าก็ดีสติข้าพเจ้าก็ดีสมาธิของข้าพเจ้าก็ดีเนี่ยนะถ้า คือคือยอมรับว่าตัวเองมีความสามารถในเรื่องวิริยะสติสมาธิดีมากอันนี้เป็นอุทธจจนะคือมันเป็นอุทจจเพราะไปสําคัญตัวเองว่าตัวเองนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมข้าพเจ้านี่ไม่ได้เกียดครั้งเลยนะข้าพเจ้านี่สติก็ดีสมาธิก็ก็ดีความเพียรก็ดีอะ่ะประกาศบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้มีสมามีมากพอคิดถึงอันนั้นขณะนั้นเป็นอุทจจเพราะขณะนั้นไม่ได้เจริญสมาธิอ่ะนะ ไปคิดถึงแต่สมาธิด้วยอํานาจของอุทจะจะเสร็จแล้วก็บอกว่าข้อสุดท้ายบอกว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะทําไมจิตของข้าพเจ้ายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นอันนี้เป็นกุกุจะนะเพราะฉะนั้นตันหามานะกุกุจะครอบงําท่านอยู่ขณะที่มาปรารบแบบนี้ว่าทําไมอ่ะก็โลกธาตุตั้งพันโลกก็รู้วิริยะสติสมาธิก็เจริญอย่างดีอันนี้ ทำไมไม่บรรลุสักทีหนึ่งสรุปว่าไอความคิดอันนี้ด้วยอํนานาจของตันหาอุทะจะกุกุจะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นความคิดแม้อันใดยอย่างนี้ของท่านเนี่ยนะดีละสาธุเหมือนนแะสาธุอนุรุธท่านจงละธรรมะสามประการนี้เสียไม่ใส่ใจในธรรมะสามประการนี้คืออย่าไปให้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นน้อมจิตไปเพื่อ อ, อมตะธาตุอย่างเดียว นี่นะน้อมจิตไปหาอมะตะธาตุเป็นที่สงบประงับจากสังขารทั้งมวลอย่างเดียวยนี่นะเพราะท่านก็รับกรรมฐานอันนี้เป็นคำแนะนำกรรมฐานว่าอย่าไปใส่ใจในแง่ให้เกิดมานะหมายว่าขีดความสามารถตัวเองสูงมากอันนั้นมานะใช่ที่ที่บอกว่าตัวเองนี่รู้โลกธาตุนะเป็นมานะอย่างที่สองก็คืออขนขณะที่ท่านคิดว่าท่านมีสมาธิเนี่ยอันนั้นเป็นความฟุ้งของท่าน ส่วนที่บอกว่าเมื่อไรจะบรรลุสักทีอันนี้เป็นวิปฏิสารนะเดือดร้อนเพราะไม่บรรลุอันนั้นเป็นกุกุจะเพราะฉะนั้นให้ละอันนั้นนะให้น้อมจิตไปหาอ ม, มะตะอย่างเดียวนั่นนะเพราะฉะนั้นที่ท่านพระสัตรบุตรให้กรรมฐานก็อาศัยจากจิตในขณะนั้นเป็นสมทนุทัยคือก็บอกตามตามอาการ <นะ S 2> ที่เป็นอยู่นั่นนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสตัณหาที่ไปเพลิดเพลินในฌานอภิญญามันก็กิเลสอะ่ะเพราะฌานอภิน ญ, ญาพวกนี้มันเป็นทุกขสัตว เ, นะเมื่อเป็นทุกข์ษัตริย์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อมใจให้เกิดอุปาทานแบบนั้น น, น, นให้น้อมใจไปหาอมตะธาตุเถอดทีนี้ท่านก็หลีกไปอีกที่หนึ่งนะไปลาพระพุทธเจ้าไปยังเจติยารัฐ เ, นะเพื่อจะกระทําสัมมาธรรมทีนี้พอท่านไปอยู่ในเจติยรัฐท่านก็ไปเดินจงกรมอยู่ประมาณครึ่งเดือ น, นนะงงโอ้โหจงกรมตั้งครึ่งเดือนเลยเนี่ยนะเรามันครึ่งชั่วโมงครับจะแย่มันนะ การเดินสายพานทีงได้ชั่วโมงไม่ได้นะได้ไปชั่วโมงนี่ก็แย่เลยนะนี้ท่านก็ไปเดินจงกลมเนี่ยประมาณครึ่งเดือนพอเดินจงกลมเสร็จท่านก็ไปหลีกเลนแล้วก็นั่งก็ปรารบว่าธรรมนี้เป็นธรรมะของคนผู้มีความปรารถนานอ้อยไม่ใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนานมากอันนี้ท่านคิดได้เองเลยนะ คือสรุปจากคําแนะนําทั้งจากฟังจากพระพุทธเจ้าจากภาษารีบุตรแนะนําเป็นต้นเนี่ยประมวลได้หมดแล้วทั้งที่พิจารณาที่ท่านเจริญอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของคนมักน้อยจริงๆไม่ใช่เรื่องของคนมากๆธรรมะนี้หมายถึงโลกุตระธรรมอนะโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้ที่สงัดคือวิเวกไม่ใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ โลกุตรธรรมนี้เป็นของผู้ปรารบความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร <am> <as> ้านโลกุตรธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมโลกุตรธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นมิใช่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงโลกุตรธรรมนี้เป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามผท่านรู้เลยนะว่าสิ่งที่ท่านเจริญเนี่ยท่านน้อมคิดได้เท่านี้ ว่าอ้ต้องเจริญสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มากเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่เจริญกุศลยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่หมกมุ่นไปด้วยบาปอากุศลเนี่ยท่านก็พี่ได้เท่านี้แหละว่ากุศลเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องบริหารกุศลยจริงๆทีนี้คิดข้อต่อไปอีกไม่ได้ไหมครับว่าคิดไปเท่านี้ก็ตันนะนะขีดความสามารถก็หมดในการพิจรารณาคือเห็นแต่คุณของการเจริญกุศลอย่างเดียวแต่ยังไม่ทาราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าลงที่ไหน กุศลที่เจริญทั้งหมดเนี่ยเพื่อลงที่ไหนเพื่อให้จบที่ไหนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตตกแห่งใจของพระอนุรุทธะแล้ว น, นะที่คิดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ละพระอง์ก็เสดจจากเพสการามมิกทายวันแขวงสุงสุมาราคิระแควนพระกชนบทไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะที่วิหารปาจีนวังสะทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ถวายแล้ว น, นะเงื่อนไขคือพระสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าไปจะไปเจริญกรรมฐานหรืออยู่ที่ไหนจะต้องทําอาสนะไว้ให้พระพุทธเจ้าหนึ่งที่ก่อนเพราะฉะนั้นพอมาถึงปับ๊บพระพุค์ก็ประทับนั่งเลย แม้ท่านพระนุรุทธะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระนุรุทธะว่าสาธุสาธุเออที่คิดนี่ดูถูกต้องถูกต้องเนยะไม่ผิดหรอกเข้าใจถูกแล้วว่างั้นอนุรุทธะถูกละที่เธอตรึกมหาปริสวิตตกว่าธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากานีนะ เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ไม่สันโดษเป็นของผู้สงัดไม่ใช่ยินดีในการคลุกคลีเป็นของผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่คนเกียจคร้านเป็นของผู้มีสติไม่ใช่คนหลงลืมเป็นของผู้มีจิตตั้งมัน่นไม่ใช่คนฟุง้งซ่านอะไรเงเป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของคนเขลาอนะี่ยดู ก, ก่อนนะรุธะถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกมหาบุริสวิตตกข้อที่แปดนี้ว่าอันนี้สอนให้คิดนะข้อที่แปดว่าธรรมนี้ เป็นของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่ทำให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่ทำให้เนิ่นช้านิปปัญจะทำอ่ะนะผู้ที่ยินดีในนิปปัญจะทำจริงๆเนีย่ยนะไม่ใช่ของผู้ชอบใจในธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเนี่ยนะไม่ใช่ไปเนิ่นช้าในทุกขสัตด้วยอำนาจตันหามานะที่ถินะอนะไม่ใช่ไปเพลิดเพลินใน คื อ, อย่าลืมว่าขอบเขตของตันหามานาทิฏฐินะมันชอบเฉพาะทุกขสัตว์เท่านั้นมันไม่ชอบเกินกว่า น, นั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ตันหามานะทิฏฐิมันงอกนะว่าไงเนทีนี้พระองค์ก็สอนทานุรุธะต่อไปว่าดูก่อนอนุรุธะในการใดแลเธอจากตรึกมหาบุริสวิตตกแปประการนี้ เนี่ยนะคือสอนให้ตรึกแบบนี้เลยนะทั้ง8ข้อเนี่ยให้ไปคิดอย่างนี้ให้มากๆเหมือนกันเนี่ยในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจะสงัดจากการมสงังฎจากอากุโสธรรมบรรลุปฐมมาชานมีวิตกวิจารปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่นนะถ้ามีคุณธรรมทั้ง8ประการอย่า ง, างที่กล่าวแล้วนะปฐมมาชานไม่ยากนะเนี่ยในการใดเธอจักตรึกมหาปริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักบรรลุทูติยฌาน อันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติซุ้งซึ่งเกิดแต่สมาธิอยู่นะก็ได้ทุติยชานเน่ยแะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปริสวิตกแปดประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชานที่พระริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบขามีสติและอยู่เป็นสุขในการใดแลเธอจักตรึกมหาปริสวิตกแปประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักบรรลุจะตุธาฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมณัอนก่อนๆได้มีอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เนี่ ก็สรุปแล้วได้ฌานสี่แล้วใช่ไหมได้มหาปริสวิตตกแปดแล้วได้ฌานสี่อีกด้วยเนี่ยนะในการใดเธอจกตรึกมหาปริสวิตตกแปประการนี้และจกเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้มีจิตมีในจิตอันยิ่งคืออธิจิตนะนะเพราะว่าฌานสีนี้นับว่าเป็นอธิจิตนะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะนะในการนั้น ผ้าบางสกุลจีวรจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเนีย่ยนะเปรียบเหมือนหีบใส่ผ้าของเครือหาบดีหรือบุตรแห่งเครือหาบดีอันเต็มด้วยผ้าสีต่างๆฉะนั้นเนะี่ยสรุปนะถ้าปฏิบัติจนได้มหาปริสวิตกแปดเต็มเปี่ยมในใจแล้วก็มีฌานสี่ มีจิตน้อมไปในนิพพานจีบังสกุลจีวอที่ไปหาเก็บเศษผ้ามาป ร, ป, รประตัดประตอมานุ่งมาห่มเนี่ยหมามันมีเหมือนกับว่าผ้าของมหาเศรษฐีที่เขาใช้กันนะเนีเหมือนผ้ามหาเศรษฐีผ้าอย่างดีมาใช้เลยคือหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยถามว่ารู้สึกน้อยใจไหมหมายทำไมฉันเนี่ยชีวิตช่างอาภาัพเหลือเกินหนอไปหาเก็บเศษผ้ามาปะตะมาปฏะติประต่อเพื่อจะนุ่งจะห่มเนี่ยถามว่านั่งนึกว่าตัวเองอาภัพเรื่องผ้าไหม แล้วเขาเขาบอกว่า โ, โหผ้าอันนั้นเนี่ยมีค่าประดุดเรียกว่าผ้าของมหาเศรษฐีใช้เลยทีเดียวละว่างั้นเลยนะดูก่อนอนุรุ ธ, ธะในการใดเธอจากตรึกมหาปริสวิตตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่ที่เป็นอธิจิตเนี่ยนะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ในการนั้นโภชนะคือคำเข้าที่ได้มาด้วยปลีแข่งด้วยการไปบินธบาตามโมตามบ้านตามหมูบ้านตามนิคมราชธานีชนบทเนี่ยนะจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยตันหามานะอยู่ด้วยอยู่เป็นสุขก้าวลงสู่นิพพาน อาหารที่ไปบินทบาทนั้น่ะเปรียบเหมือนกับข้าวสุกหุงจากหม้อข้าวสาลีอันคัดเอาไอ้เม็ดดำนี่ออกแล้วมีแกงและกับละอย่างของเครือหาบดีและบุตรแห่งเครือหาบดีฉะนั้นมาอาหารในบาทนีเหมือนกับอาหารในพระตะครในเยนั้นเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยถ้ามีคุณธรรมขนาดนี้นะ